ก็ในที่สุดพระองค์ก็เลือก ว, วิจัยเลือกเฟ้นจนเจริญณาปานาสติระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิด ส, สัตว์ตายพิจรารณาอริยสัจโดยอริยสัจนี้พิจารณาอยู่สี่ชั่วโมงนนะพิจารณาขันธาตุอายตนะมาเชื่อมโยงเป็นปฏิจจสมุปบาทพลิกทั้งวัตตะและวิวัตตะก็เป็นอริยสัจแล้วก็ เจริญคุณธรรม พ, พ, ร พ, พ่อปูะนโะพพวอนโพธิปัจจะธรรมทั้งสติปัญญานสัมมปาปัญญาอิทิบาทอินทรีย์พละโพชงและองค์มักท่าประชุมรวมกันทํ า, ากิจกําหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยทํานิโรธให้แจ้งเรียกว่าโสดาปฏิมักเนี่ยนะแล้วก็ปจัจเวกขณะยางก็พิจรารณาอีกเนี่ยนะก็แทงตลอดอริยศาสตร์อีกเป็นครั้งที่สองก็เป็นด้วยอนุภาพของสกทาคามีมักก็ทํากิจอริยศาสตร์อีกเป็นครั้งที่สมก็สําเร็จเป็น พระอนาคามีมาก็ปัจเจกขณาญาณเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เจริญเพื่อทำกิจในอริยศาส์เอกีกก่อนรุ่งอรุณเนี่ยนะก็พร้อมอรหัตตมรรคก็เกิดขึ้นพร้อมกับอรหัตถผลพร้อมกับดวงอาทิตย์ขึ้นส่องสว่างนั่นแหละก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระ่าหันแต่สรุชอบได้โดยพระองค์เองก็อิติปิโสพะควาอรหังสัมมาพุทธคุณทั้งมวลก็เกิดขึ้นอันนั้นเรียกว่าพุทธาพิเศษตรงนั้นอนะพุทธาพิเศษจริงๆพุทธาพิเศษเกิดจากสัจจพิเศษ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 ไม่ใช่แบบนั่งสัมผัสแต่พระ น, นิพานเป็นอารมณ์และสบายไม่คิดอะไรเลยเนี่ยนะเหมือนกับคนหลุดโลกไปเลยเนี่ยเคลื่อนเคลื่ไปแบบติดยาติดติดเนี่ยนะล่องลอยเคลื่อนเคลื่ไปไม่ใช่เด็ดขาดอยู่บนท่ามกลางสติสัมปชัญญะมีนิพานเป็นอารมณ์เข้าพร ะ, ะสมาบัติออกจากพร ะ, ะสมาบัติก็พิจารณาริยสัตว์อื่นๆวิจัยไข้ครวนใช้เวลา49วันคนคิดอย่างเดียว49วันเนี่ยไม่หลับเลย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 ท่านศสร์สรแล้วศาสตว์อื่นนะก็น้อมไปดูสัตว์โลกปั๊บดูแล้วอยู่แค่เรียกว่าแทบจะหดกลับมาเลยในะเห็นความรกชัดของสัตว์โลกนะไม่เชื่อเอางี้นะมีความรู้เออธรรมจักนี่ดีเหลือเกินบอกไปเที่ยวให้ไปสนามหลวงเอาไปควนหาเพื่อนสักคนหนึ่งคุยธรรมจักกับปวตนาสูตรน่าจะทํำยังไงเอ า, เอาไปสนามหลวงเลยเอ่ทุกทิศหลังไหลมาตรงนั้นอ่ะเอาเอาธรรมจักไปเลยให้หนังสือไปเล่มหนึ่งเอาไปทําดูแต่ใครทําได้เนี่ยแม่งทำบุญมาดีจริงๆเลยนะ กลับวัดดีกว่างี้นะถือทํามาจากไปเล่มหนึ่งไปนั่งกลางสนามลวงอุย้ยคันหัวแขกแขกกลับวัดดีว่างี้นะก็เป็นลักษณะนะั้นไม่ใช่ง่ายนะพระองค์ก็จริงๆอ่ะพระองค์ก็พิจารณาแล้วจะช่วยใครได้บ้างอะไรได้บ้างเนี่ยนะพิจารณาออกไปทุกครั้งก็เห็นแต่ความทุกข์ยากของสัตว์เนี่ยนะแล้วก็กลับมาเจริญพิจารณาเริยสัตว์ต่อไปอีกพิจารณาธรรมต่อไปอีกเนะนี่ยนะในในอุทานเนี่ยพระองค์อุทานยาวมากเลย ปราดร ถ, ถึงความสังเวช ส, สลดใจของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอุทานนี่ยาวมากเลยในในคำพีอุทานหลังจากนั้นเนี่ยนะพอจนถึงโน่นแหะสีสัปดาห์ที่เจดเนี่ยนะผ่านจากนั้นผ่านไปแล้วนั่นแหละจึงพระองค์ก็เลยน้อมไปเพื่อที่จะไม่แสดงธรรมเนี่ยนะก็คือรู้แล้วว่าถ้าพระองค์คิดแบบนี้จะมีผลสองประการผลประการแรกก็คือว่าเป็นนิยามของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะ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 องแปดมัชชิมาปฏิธปธรรมไม่มได้ยกตัวใดตัวหนึ่งเลยนะเห็นความสมดุลกันเนอายะเมวะอารยังอัตังทิโกมัคโคเนี่ยนะอยะเมวะบอกอารยมังอันประกอบไปด้วย อ, องแปดเท่านั้น น, นะไม่ใช่ว่าเอาองคใดองค์หนึ่งนะถ้าจะตัดได้ระดับทุติยะฌานตัดสัมมาสังกัปปะออกไปถ้าจะตัดได้ตัดได้เท่านั้นจากนั้นตัดไม่ได้อีกแล้วมันต้องครบองแปดโดยปกติต้องครบองแปดแล้วมร์แปดจะประชุมกันอย่างไร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 มันถ้าเจริญมรรคแปดจริงก็ต้องรู้วันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธคาขาดม่นีปฏิปทาแล้วพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เกิดยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นวันนี้ทุกทุกขัสัตทั้งหมดนี้ควรปริญญาควรกําหนดรอบรู้ทั้งหมดนี้กําหนดเราเอ่อนี้ทุกทุกควรกําหนดรอบรู้ทุกเหล่านั้นก็กําหนดรอบรู้แล้วเนี่ยนะทุกเนี่ยเป็นที่ทุกขเมื่อกี้บอกว่า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 ก็สร้างอุปาทานนักขัอุปาทานเป็นตัวสร้างอุปาทานนักขัอุปาทานนักขันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอุปาทานก็เป็นตัวสร้างอุปาทานนักขันนั่นก็วนอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอุปาทานเนี่ยจึงเป็นธรรมที่ควรละนะนะกิจของมันถ้าละได้ก็ต้องดับทุกข์ได้ก็แล้วก็ต้องอันนั้นก็ได้ละเสร็จแล้วแต่ว่าธรรมที่ละไอ้อุปาทานคืออะไร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 เห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดทุกประการก็เห็นอริยสัจอย่างนั้นจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกทุกประการว่าอะไรแจมแจ้งขอบวชเลยวันนั้นเถะเป็นพระโสดาบันแล้วบอกคนอื่นว่าเข้าใจอีกแล้วประกาศอนัตตลักษณะสูตรเน้นทำกิจในเน้นทำกิจเพื่อละฉันทราคะในอุปาทานขันท่าระองแสดงอนัตตลักษณะสูตรจบท่านเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์กันแล้วพระค์ก็ประกาศอริยสัจอย่างนี้มาเรื่อยๆโดยลําดับ แต่เทศนาโวโอหารอาจจะต่างกันไปย่อบ้างพิสดารบ้างปานกลางบ้างตามจริตและอัธยาศัยประกาศอริยสัจอย่างนี้เนี่ยนะอริยสัจทั้งสี่เนี่ยจะกล่าวเว้นเหลือสองก็ได้เหลือแต่ทุกข์กับความดับทุกข์เนี่ยนะเน้นอะไรเน้นทุกขสัจกับนิโรสัจจะทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็สอนแต่ทุกข์กับความดับทุกข์แต่แต่สอนก็คือมรรคสัจจะเพราะสอนให้คนเห็น ไอ้มักเนี่ยมีความหมายว่าเห็นก็เห็นอะไรเห็นทุกข์ก็เห็นความดับทุกข์ข้อปฏิบัตินั้นก็คือเห็นทำจากสุขให้เกิดแล้วถามว่าตามองดูนี่ต้องไปทำยังไงก็เห็นนี่ยมาทิฏฐิก็แปลว่าเห็นจากสุ่ก็แปลว่าเห็นทำจากสุขให้เกิดยานก็แปลว่ารู้นะรู้โดยประการต่างๆเนี่ยปัญญาก็รู้โดยประการต่างๆหรือรู้ทั่วเนี่ยนะแล้ววิชาก็กาจัดอวิชชาออกไปได้ มันพองก็สอนแล้วก็มีคนที่เขาเข้าใจตามโดยสัมมาทิฏฐิตามแต่ก็ไม่ใช่ว่ามักเดียวนะต้องครบมีองแปรมีผู้ที่เจริญตามพระพุทธเจ้าบรรลุมักผลไล่ตั้งแต่เด็กอายุห้าขวบเจ็ดขวบเรื่อยมาจนถึงอายุร้อยยี่ปีแล้วนะไม่ขวบละอายุร้อยปีก็มีผู้ที่บรรลุตามเนียนะพวกพราหมณ์ภาวรีนี่ฟังธรรมตอนอายุร้อยิบอนานตวิสาขาฟังธรรมตอนอายุเจ็ดขวบ แล้วก็มีสัมเณรมโทหนึ่งเป็นผ้าทหานตั้งอายุห้าขวบเนี่ยนะก็ตั้งอายุหขวบไปจนถึงร้อยี่สิบทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบรรลุกันเยอะแยะเลยเนี่ยนะเหลือแต่พวกเราเนี่ยนะมันข้างดาวข้างเดือนข้างฟ้าข้างดินมาได้ยังไงไม่ทราบเพราะอะไรทําไมเราไม่บรรลุกันเกิดอะไรขึ้นนะดูว่าเพราะเพราะอะไรก็เพราะเดี๋ยวเนี่ยเลิกเรียนปั๊บจะรู้เลยว่าทําไมจึงไม่บรรลุกันนะ ก็คิดแบบเรานี่เลนะมันก็เลยไม่บรรลุนะเมื่อไรจะคิดแบบพระพุทธเจ้าเมื่อไร่ก็บรรลุได้เพราะงั้นค่ะคิดแบบเราพูดแบบเราทําแต่แบบเราเนี่ยนะเออแล้วพระพุทธเจ้าให้ที่เราทำอย่างนี้มันถูกตามหรือไม่ถูกเป็นต้นเน่ยนะพระพุทธเจ้าต้องหันมาหาเรารู้ว่ารันเราหันไปหาพระพุทธเจ้ากันแน่เนี่ยนะคิดไปคิดมาวิจัยแล้วนะบอกสมควรนั่นแหะยุติธรรมที่สุดเนี่ยนะถ้าเกิดเราทําตัวแบบเราแล้วบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยเขมาจะแปลกใจมากเขามันเกิดอะไรขึ้น เอ่ของพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าไม่รู้ทำตัวแบบเราแต่บรรลุของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็น่าทบทวนเหมือนกันแล้วพระธรรมเหล่านั้นที่พระองค์ประกาศบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยตลอดระยะเวลากี่ปีสี่สิบห้าปีตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีเนี่ยนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนับเป็นหนึ่งคำสอนนั้นมีรสรสเดียวเท่านั้นคืออริมมุติรสลดพ้นจากทุกข์นะ วิมุตต์แปล ว, ว่าหลุดพ้นจากชาติชารามรณะหรือหลุดพ้นจากสังสารทุกข์แบ่งเป็นสองคือธรรมกับวินัยแบ่งเป็นสามปฐมพุทธพจน์มัชชิมพุทธพจน์และปัจฉิม พ, พุทธพจน์หรือวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกหรืออภิธรรมปิฎกแบ่งเป็นห้าห้ากองนิกายเรียกว่ากองห้ากองนะกองแห่งกองที่ยาวๆท่าปานกลางเป็นต้นเนี่ยนะเรียก ว, ว่าทีนิกายมัชชิมนิกายสังยุตอังคุตคุตการนิการ น, นี่นะแล้วก็แบ่งออกเป็น องเรียกว่าองเก้าสุตะขคยะเป็นต้นแบ่งเป็นเล่มเล่มก็เท่ากับที่เราเห็นเนี่ยเนะี่ยธรรมาพิมพ์ไปแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ถ้าพิมพ์หมดไม่มีปยานก็เยอะกว่านี้เยอะแต่จริงๆนะดูน้อยก็เพราะว่าเปยจุดจุดจุดจุดเก้ารอเก้าเนี่ยนะเปช่วยไว้เยอะเนี่ยนะถ้าไม่มีตรงนั้นแหละแบบปฏิสัมพิธามมัอาจจนาเกือบตอนนี้มันก็เกือบคือบอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะสอกเงี้ย น, นะถ้าไม่มีเปไม่มีจุดไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะ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 การปฏิบ e uh, ah ัติเป็นผลผลิตของคำสอนคำสอนเป็นผลผลิตของการตรัสรู้การตรัสรู้เนี่ยเป็นอารัมมณะปัจจัยมีนิพพานเป็นอารัมมณะปัจจัยนิพพานเป็นอารัมมณะปัจจัยของการตรัสรู้การตรัสรู้เนี่ยเป็นปฏิปทาเพื่อพระนิพพานแต่นิพพานเนี่ยเป็นอารัมมณะปัจจัยแห่งการ